มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุประมาณสี่สิบห้าแต่งตัวดีนะแต่ว่าสีหน้าไม่ค่อยดีเลย mm hmm. เธอไปหาจิตแพทย์แล้วก็สีหน้าก็มีความโกรธนะน้ำเสียงก็ค่อนข้างจะกราวขวน่นประโยคแรกที่เธอพูดกับจิตแพทย์คือว่าทำยังไงเนี่ยหนูจะอยู่กับคนที่เราเกลียดได้ จิตแพทย์ก็เลยถามว่าแล้วคุณเรียกคนที่คุณเกลียดว่าอะไรเธอก็ตอบว่าหนูเรียกว่าหัวหน้าค่ะหมอก็เลยถามว่าเนี่ยหัวหน้าเขาทาอะไรเหรอนะคุณถึงเกลียดเข า, าอ่ะเธอก็ตอบว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยชอบดุดาต่อว่าเป็นประจำเลยหนูก็เลยเกลียดเขามากหมอก็ถามต่อไปว่าแล้วหัวหน้านี่เขา ด่าคนอื่นด้วยหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าด่าทุกคนเลยหมอก็ถามต่อไปว่าแล้วคนอื่นที่ถูกด่านี่เขาเป็นยังไงเขาทุกข์ร้อนเขาเดือดร้อนมากไหมเธอก็บอกว่าบางคนก็ไม่ค่อยเดือดร้อนบางคนก็ไม่พอใจอยู่บ้างแต่สําหรับหนูนี่นะเป็นทุกข์มากเลย เก็บเอามาคิดตุดนอนไม่หลับนกเกลียเขานะจนกรทั่งคิดอยากจะฆ่าเขาโวขนาดนั้นเลยนะหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะก็มีการรับรู้และการตอบสนองเนี่ยที่แตกต่างกันบางคนถูกด่าก็เกลียดมากบางคนถูกด่าก็เกลียดน้อย แต่ถ้าเกลียดมากนี่ก็ทุกมากนะถ้าเกลียดน้อยก็ทุกน้อยอันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่อยากทุกแนละ้วก็ควรจะลองพิจารณานะว่าคําพูดของหัวหน้าเนี่ยนะมันจริงไหมถ้าจริงก็ปรับปรุงแก้ไขนะเลขอย่างนึงก็ให้พิจารณาตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยเรามีจุดอ่อนอะไรหรือเปล่านะฟังจากที่คุณเล่าเนี่ย จุดอ่อนคุณก็คือว่าอดทนต่อคําต่อว่าได้น้อยนะคนอื่นเนี่ยนะเพื่อโรงงานคุณนี่เขาไม่เกลียดไม่ทุกเวลาถูกหัวหน้าด่าเพราะาเขามีความอดทนสูงนะแต่คุณนี่เกลียดแล้วก็ทุกมากเนี่เพราะว่ามีความอดทนต่อคําต่อว่าเนี่ยได้น้อย ตรงนี้เนี่ยนะคุณน่าจะขอบคุณนะขวดหน้าที่เขาทำให้คุณรู้จุดอ่อนของตัวนะว่าเป็นคนที่อดทนต่อความต่อว่าได้น้อยรู้แล้วนี่ก็ได้ไปปรับปรุงสร้างภูมิคุ้มกันนะต่อความอดทนภูมิคุ้มกันต่อความต่อว่าให้มากขึ้นนะจะได้มีความอดทนยิ่งกว่าเดิมนะ แล้วหมอก็พูดต่อไปนะว่าเนี่ยคุณจะเป็นมัวแต่ทุกเพราะเขาเลยนะให้ลองให้พยายามตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีนะอย่าเป็นมัวไปคิดถึงคำต่อว่าของเขาเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาก็อยู่กับคุณไม่ได้นานหรอกถ้าเขาเป็นคนเก่งนะเขาก็จะ ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าคุณทำงานเนี่ยไม่ดีเนี่ยคุณก็จะอยู่กับที่นะหรือว่าอาจจะถดถอยลงเพราะฉะนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานตัวให้ดีเอาคำพูดขเขานี่มาพิจารณาว่าที่กขาพูดมาจริงไหมแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวแล้วก็ที่สำคัญคือว่าแก้ไขจุดอ่อนของตัวนะ จุดอ่อนที่ว่าอดทนต่อคําต่อว่าเนี่ยน้อยนะถ้าคนเรามีความอดทนมากเนี่ยหรือว่าไม่ถือสาเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะเขาจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเพื่อนคุณอีกหลายคนนะที่เขาเขไม่ได้ทุกร้อนอะไรหรือว่าเดือดร้อนบ้างก็ไม่มากเหมือนคุณเนะปียคนนั้นเนี่ยก็นั่งคิดสักพักนะก็บอก เขาไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะพอคิดได้แบบนี้นี่มันรู้สึกเลยนะว่าโอ้ไอความโกรธความเกลียดเจ้านายนี่มันหรือหัวหน้านี่มันน้อยลงเลยอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักเอาคำต่อว่าด่าทอเนี่ยของหัวหน้านี่เอามาใช้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ามาพิจารณาอย่างนั้นก็ามาพิจารณาว่ามันไม่ใช่คำพูดของเขานะที่ทำให้เราทุกข์นะ แต่มันเป็นเพราะเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะหรือว่าวางใจไม่ถูกเนี่ยเราก็เลยทุกข์โดยเพราะการที่เราเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันนะต่อคำต่อว่าด่าทอเนี่ยใครพูดอะไรมาอย่าว่าแต่หัวหน้าเลยนะอาจจะเป็นคนรอบข้างสามีลูกก็เกี่ยอกมาคิดนะนะเธอบอกว่าน้อยไม่หลับเนี่ยนอยไม่หลับเพราะอะไรนะเพราะว่าเอามาคิด เอาอะไรมาคิดนะเอาคาําพูงเขามาคิดที่จริงไม่ได้คิดหรอกนะเอามาเอาคาําพูงเขานี่มาทิ่มแทงจิตใจตัตวเองอันนี้จิตแพไม่ได้พูดหน้าตำมาก็เสริมนะแล้วที่จริงเนี่ยปัญหาแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากนะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับเจ้านายเพรบางทีเจ้านายก็ไม่ได้ก็ไม่ดีจริงๆนะ ใช้อำนาจโดยเพราะเจ้านายในบางระบบเช่นระบบราชการเนี่ยบางทีเหตุผลสู้ลูกน้องไม่ได้นะความรู้ก็มีไม่มากเท่าลูกน้องเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะกับมือนะไม่ได้อยู่หน้า ง, งานพอถึงไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นเจ้านายนะ คุณก็ต้องทําตามคําสั่งของผมนะคำสั่งของผมนี่ถือว่าชอบทำแล้วต้องทําตามแบบนี้ก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักทําใจนะกับคนแบบนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ทุกข์แต่ว่าทําใจอย่างเดียวจะไม่พอนะบางทีก็ต้องรู้จักทําอย่างอื่นด้วยนะเช่นรู้จักพูดรู้จักแนะนํา รู้จักตักเตือนมีนักธุรกิจคนหนึ่งนะเป็น CEO ใหญ่เลยแกมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งนะเวลาไปไหนมาไหนนแกก็จะคอยสอนคอยบ่นนะว่าทำไมใช้เส้นทางนี้ทำไมไม่ขับให้เร็วกว่านี้นะทำไมไม่ไม่ขึ้นทางด่วนบางทีไม่ได้สอน เรื่องรถอย่างเดียวนะสอนอย่างอื่นด้วยนะลูกน้องนี่ก็เงียบนะฟังแล้วก็อันไหนที่ดีก็ทําตามจะไม่ค่อยปรีปากบนเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับเจ้านายนี่บนไม่บนก็สอนนะจนกระทั่งวันนึงนะหลังจากที่เจ้านายนี่บนบนบนบ น, บนเพราะว่าอ่า ลูกน้องทำอะไรไม่ถูกใจคนขับรถก็หยุดรถนะแล้วก็หันมาพูดกับเจ้านายว่าเจ้านายครับถ้าผมฉลาดเหมือนเจ้านายนี่ผมก็คงนั่งอยู่เบาะหลังแล้วหรอครับไม่มาเป็นคนขับรถอย่างตอนนี้นัวธุรกิจคนนั้นนี่อึ้งเลยนะเออมันพูดถูกนะถ้าหากว่าลูกน้องของเราฉลาดเนี่ย หรือฉลาดเท่าเราเนี่ยเขาคงจะเป็นนักธุรกิจใหญ่ไปแล้วไม่มาเป็นคนขับรถนอกจากได้คิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็คงจะได้คิดว่าเนี่ยเรานี่บ่นมากหรือเกินนะจนกระทั่งลูกน้องนี่ต้องมาพูดกับเราแบบนั้นก็ปรากฏว่านับแต่นั้นมานี่นะนักธุรกิจคนนั้นนี่ก็บ่นน้อยลงนะเพราะว่ามีความเข้าใจลูกน้องได้มากขึ้น เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเขาเนี่ยถ้าฉลาดเหมือนเราเนี่ยเขาคงจะไม่มาขับรถให้เราแล้วล่ะเขาคงจะเป็นนักธุรกิจเหมือนเราไปแล้วคือเรียกว่าลดความคาดหวังลงหรือยอมรับลูกน้องตามความเป็นจริงมากขึ้นนะไปคิดว่าลูกน้องจะฉลาดเหมือนเราเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็คงจะฉลาดไม่เท่าเราอยู่แล้วนะถ้าเราไปคาดหวังให้เขาฉลาดเหมือนเราเราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราคิดว่าเออเขาก็มีความสามารถเท่านี้นะพอลดความคาดหวังลงยอมรับเขาได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธส่วนลูกน้องเนี่ยนะก็แกก็เรียกว่าเป็นคนที่ทำใจได้ดีนะเพราะว่าเจอเจ้านายบนเจ้านายสอนเจ้านายต่อว่าเนี่ยแกก็สามารถทำใจใสงบได้ไม่โกรธไม่เกลียดเจ้านายแล้วก็สามารถที่จะพูดเตือนเจ้านายได้ นะเป็นการเตือนอย่างสุภาพนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้แค่ทําใจอย่างเดียวนะแต่ว่าทําดีด้วยคือพูดดีบางทีเนี่ยในสาการหลายอย่างเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยทำใจนี่สำคัญนะแต่ว่าทําดีเช่นพูดดีพูดตักเตือนเนี่ยก็สาคัญเหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าใจเราสงบนะไม่โกรธไม่เกลียด หรือว่ามีความเข้าใจอฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้คำพูดที่บอกไปเนี่ยมันก็สามารถจะเตือนสติเจ้านายได้หรือเตือนสติอีกฝ่ายหนึ่งได้นะอย่างกรณีนี้นะเจ้านายก็ไม่โกรธนะไม่โกรธลูกน้องนะนอกจากเข้าใจลูกน้องแล้วขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่มาเตือนสติเรานะให้รู้วันเนี่ยเราเนี่ยไปจู้จี้ขี้บ่นมากเกินไปนะไม่ได้รู้จัก หรือเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แค่เข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะฉลาดเหมือนเราในในบางเรื่องได้นะแต่เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาจะอารวมของเขาเดินนะว่าถ้าเจอเราจู้จี้ขี้บน่นชอบสอนชอบสั่งแบบนี้นี่ก็คงจะไม่มีความสุขเหมือนกันและเราเองก็คงจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะเจอแบบนี้แกคงจะเข้าใจนะว่าบางทีเราก็อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับลูกก็ได้อาจจะจู้จี้ขี้บ่นกับ คนที่บ้านแม้กระทั่งภรรยาก็ได้มันให้รู้ตัวมากขึ้นนะรู้ตัวจากคำคำพูดของเจ้าของลูกน้องนะที่พูดแบบเรียกว่ามีอ่ปิยวาจานะพูดจาที่ไม่ได้ออกมาด้วยความโกรธความเกลียดนะแต่พูดเป็นการเตือนสติได้นะอันนี้แียกว่าเวลาเจอเจ้านายเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยหรือเจอคนรอบข้างที่ ไม่ถูกใจเราเนี่ยการทำใจก็สำคัญแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นนะก็ทำดีด้วยก็คือพูดดนะีพูดเตือนด้วยปิยวาจามันก็ช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะทั้งสองฝ่ายอาลาเตรียมรับพร